พระพุทธเจ้าสอนว่าพวกเรามีกรรมเป็นของของเราเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่เพ่มอาศัยมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชัว่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ตอนนี้พวกเรากำลังรับผลของกรรมที่เราได้ทำมาในอดีตกรรมนี้ก็คือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจการกระทําทางใจนี้เป็นพื้นเริ่มการกระทําทางวาจาและทางใจและทางกายก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่เราต้อง คิดก่อนความคิดนี้เรียกว่าเป็นการกระทาทางใจใจคือผู้รู้ผู้คิดคิดแล้วก็จะพาไปสู่การทูดไปสู่การกระทาต่างๆเมื่อเกิดการกระทาขึ้นมาก็จะเกิดผลขึ้นมาที่ใจโดยใจก็จะสขเรือจะทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ ใจก็จะสวงขึ้นเลือตต่งลงนผู้ที่รับผลคือใจร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้ก็ติดร่างแหาไปด้วยแต่ผู้ที่รับผลจริงๆคือใจคือเราเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจ เราดีเราไม่ดีเราสูงเราต่ำก็อยู่ที่ใจของเราดีหรือไม่ดีสูงหรือต่ำใจเราจะสูงหรือต่ดีหรือไม่ดีสุขหรือทุกก็อยู่ที่การกระทาอยู่ที่ความคิดของเราถ้าเราคิดดีเราก็พูดดีทำดีผลดีก็ตามมาใจก็มีความใจก็สูงขึ้น ใจเรานี้เปลี่ยนไปตามการกระทำของเราละขึ้นสูงก็ได้จะลงต่ำก็ได้ที่อยู่ของใจนี้อยู่ในโลกที่ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายร่างกายนี้เียว่าโลกกทัทธโลกที่ร่างกายอยู่กันนี้ที่โลกเราเห็นหน้าเห็นตาแต่ น, นี้เป็นโลกของร่างกายโลกโลกกทัทธ ธาตุก็คือเด่นน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อรวมตัวกันก็เป็นนา่างกายเป็นต้นไม้เป็นอะไรต่างๆเกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่เด่นน้ำลมไฟแล้วก็มีการแยกตัวกันไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไร เมื่อมีการรวมของธาตุสีินน้ำรวมไปต่อไปก็ต้องมีการแยกตัวออกจากกันเช่นร่างกายของเรานี้ก็มีการรวมตัวของธาตุสีดินน้ำาลมไปธาตุดินก็มามาจากอาหารที่พวกเรารับประทา น, นกันผักผลไม้ข้าวก็มาจากดินมีดินเป็นส่วนผสมมามีน้ำด้วย เพราะว่าต้นข้าวอยากจะโตได้ ก, ก็ต้องมีน้าํามีดินมีอากาศมีลมอากาศก็คือลแล้วก็มีความร้อนพอประมาณพอให้ต้นไม้ต้นข้าวจะเริ่เติบโตได้เมื่อเป็นออกโรงข้าวมาเราก็เอาโรงข้าวนี้มารับประทานกันมาหุงมาต้องก่นแล้วถ้ารับประทานเข้าไปในร่างกาย อาหารที่เข้าไปในร่างกายก็ไปเสริมอาการที่ส่วนต่างของร่างกายทําให้ผมยาวขึ้นขนยาวขึ้นเล็ยบยาวขึ้นนับฟันแข็งแรงขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้ทำมาจากน้ำนมฝอยพอเวลาร่างกายหยุดทํางานก็เป็นเวลาที่ ถ้าทั้ง4ก็จะแยกตัวหอกจากกันคนตายไปถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็อืดพองแล้วน้ำที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะต้องไหลออกมาไฟมันก็พัดหายไปถ้าแต่ตอนที่หยุดหายใจพอร่างกายตาย้ร่างกายจะไม่ร้อนเหมือนกับคนที่ยังไม่ตาย ร่างกายจะเย็นเป็นเมือนหุ่นเป็นเหมือนหุ่นคนนั้นนีพอหยุดหยุดหายใจแล้วร่างกายก็แข็งทื่อไปแล้วพอควอมถ้าทิงไว้ก็เน่าคองแล้วน้ำอะไรที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะแยกออกไปต่อไปร่างกายก็จะแห้งกรอบถ้าทิ้งไปต่อไปก็ผุเปื่อยพังกาเป็นเดินไป นี่คือโลกกระทที่เป็นโลกของร่างกายไม่ใช่โลกของจิตใจโลกของจิตใจนี่อยู่ในโลกทิตใจนี้เป็นทารู้เป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปก็ขาดการติดต่อกันร่างกายนี้เปลียบเหมือนกับโทรศัพท์มือถือ ส่ว น, ค น, นคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนี่เป็นเหมือนใจเวลาโทรศัพท์มือถือพังไปคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้ามีเงินก็ไปซื้อเครื่องใหม่ที่ดีกว่าเครื่องเก่าถ้าเงินมีน้อยก็ซื้อเครื่องที่ไม่ดีกว่าเครื่องที่มีอยู่เวลาที่ร่างกายตายไปใจที่อยู่ในโลกที่ ก็ไปหาร่างกายไปซื้อร่างกายามาใหม่สิ่งที่จะซื้อร่างกายก็คือบุญกับบาสนี้ถ้าบุญได้ซื้อบุญก็ได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่าถ้าบาปก็จะได้ร่างกายที่เร็วกว่าเก่าเราต้องได้ร่างกายของเดรชฉานก่อนร่างกายของสุนัขของแมว นคือการรับผลบุญถุนบาปของใจขณะที่ใจทําบุญนี้ถ้าใจมีความสุขใจก็จะพัฒนาขึ้นไปใจนี้มีหลายระดับมีชื่อต่างๆระดับสูงจากความนุษย์ก็เรียกว่าเทพระดับสูงกว่าเทพก็เรียกว่าพรหมระดับที่สูงกว่าพรหมก็เรียกว่าพระอริยะเจ้านะ เป็นพระสสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านี่คือระดับของความดีงามของจิตเหมืนกับทหารนักตํำรวจเขาจะมียศนมีจา่ามีนายสิบนายร้อยนายพันนายพลเขาก็ก้าวขึ้นไปตามลำดับของความดีงามของเขา ทำความดีก็ได้รับการเรื่องขัน้นเรื่องยศจิตเราก็มีขัน้นมียศเหมือนกันจิตเราตอนนี้เราเป็นมนุษย์ตอนที่เรามาเกิดนี่จิตของเราเป็นมนุษย์แล้วพอเราโตขึ้นมาเราเริ่มทำบุญทำบาตจิตของเราก็จะขึ้นเลื่อลงไปตามบุทุกบาทที่เราทำถ้าทำบุญไม่ทำบาตจิตเราก็จะ เพรื่องจากชั้นเทพเนื่องจากชั้นชั้นมันเร่ขึ้นไปสู่ชั้นเทพชั้นเทพก็มีหลายชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองแล้วถ้าเราทำบนอีกชนิดหนึ่งเือนนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ถือศีลแต่เราก็จะเรื่องชั้นขึ้นไปสู่ชั้นพรหม เวลาจิตสมบนี้จิตก็จะเป็นทองขึ้นมองก็มีอยู่แปเก้าชั้นดกันเรียกวอารูปทออรูปภพส่วนถ้าเราไม่ทำดีเราทำบาปจิตเราก็จะถูกลดขั้นหลงจากมนุษย์ไปสู่เดรัจฉานไปสู่เปลไปสู่อสุรกายไปสู่นรก ถ้าเราทำบาปด้วยความหลงเราก็เป็นเดราจฉานทำบาปด้วยความโลภก็เป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นนสุลกายทำบาปด้วยความโกรธเหียดเขียยแค้นอาฆาตพยาบาทก็เป็นนรกนี่คือจิตของเราซึ่งสามารถเป็นได้ในขณะที่ร่างกายยังมีร่างกายแตมันมน่เจ็บ พวเราที่นั่งอยู่ตรงนี้จิตของพวเราจึงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกับถ้าเรารับราชก า, ารเป็นตำรวจเป็นในเป็นทหารเราอาจจะมียศไม่เท่ า, ากันก็ได้ขณะนี้บางคนอาจจะเป็นนายสิบบางคนอาจจะเป็นนายร้อยบางคนอาจจะเป็นนายพันบางคนอาจจะเป็นนายพลจิตเราก็เหมือนกันจิตของเราพวกของเราตามนี้ รับรองได้ว่าไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเพราะเราทําบุญทําบาปกันไม่เท่ากันตอนนี้บางคนอาจจะยังจะเป็นมนุษย์อยู่ก็ได้คือไม่ทําบาปแต่ก็ไม่ได้ทําบุญถ้าไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทำบาปนี่ก็เรียกว่ายังเป็นมนุษย์อยู่แต่ถ้าทําบาปก็จะเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นแปลกบ้างเป็นอสุรกายบ้าง เป็นสัต์นรกบ้ากพวกที่ไปฆ่ากันด้วยความเครียดแค้นฆ่าพยาบานพวกนี้ร่างกายเขาจะเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจเขาเป็นสัตว์นรกนะหรือไปฆ่าผู้อื่นไปทำบาปก็ต้องไปเลี้ยงชีพของตนในการฆ่าด้วยการป้อนด้วยการจี้ตรงนี้ก็จะไปเป็นเดรัจฉาน ถ้าร่างกายมนุษย์ตายไปพวกนี้ก็จะไปได้ร่างกายเดรัจฉานเลยถ้าถ้าเป็นนรกพอร่างกายนี้ตายไปก็ายก็เป็นนรกยอยู่ในนรกทันทีแล้วเราก็อยู่ในโลกทิพเนี่ยโลกทิพมีมีหลายชั้นชั้นนรกชั้นเปรตชั้นสื่อลกายชั้นเดรัจฉานชั้นเทวดาชั้นพรหมชั้นอริยบุคคล นี่คือโลกของจิตโลกของจิตกับโลกของร่างกายนี้เป็นคนเราโลกกันเราอยู่ในโลกของจิตร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราของเราร่างกายเรานี้เป็นเพียงคนรับใช้เราที่เราใช้ในการหาความสุขให้กับใจของเราที่เรามาเกิดมีมมีร่างกายของมนุษย์กันนี้ เพราะเรายังมีความอยากกันอยากในรูปเสียงเก็บนัดกันอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกเส้นกายเราจึงต้องมีร่างกายกันพอร่างกายอันเก่าตายไปเราก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอรับร่างกายอันใหม่ช่วงนั้นจิตของเราก็ไปรับผลบุญผลบาปกัน ถ้าเป็นเทพก็ไปเป็นเทพกันถ้าเป็นเดลฉานก็ไปเป็นเดรลฉานกันถ้าเป็นเปรดก็ไปเป็นเปรดกันจนกว่าจะได้ร่างกาอยอน่อยถ้าเป็นพระาอราิยบุคคลเช่นเป็นพระโสดาบันพราตาใจเนี้ยก็ยังต้องมารอรับร่างกายของมนุษย์อยู่เพราะยังมีความอยากในรูปเสียงเกล่นรสดอย ยังมีความอยากที่จะเสกกลามยังอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั่นคนนี้อยู่ถ้าเป็นพระอนาคามีนี้ก็จะไม่ต้องมามีร่างกายเพราะท่านตัดความอยากทางรูปเสียงกลิ่นลกได้หมดไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วก็จะเป็นเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ แล้วจากนั้นก็จะบรรลุเป็นพระอหรหันต์ตามลําดับต่อไปพอเป็นพระอหรหันต์ก็เรียกว่าอยู่ที่พระนิพพานอยู่ที่พระนิพพานก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมารอรับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่ของเราเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีการแก่การเจ็บการตายต่อไปไม่มีความทุกข์ ไม่ต้อมาทุ่ข์กับความแก่ความเจ็บความตายผู้ที่กระทํากรรมทั้งหมดนี้คือใจที่เริ่มที่ความคิดของใจนี้พอคิดอยากได้อะไรก็ต้องไปทําตามความอยากทันทีใจของมนุษย์ของเทวดานี้เป็นใจที่อยู่ภายใต้อํานาจของกวามมรตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส เทวดาเขาก็เสด ร, รูปเสียงกลิ่นงมากแต่เป็นรูปเสียงกลิ่นมากที่ละเอียดที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกวินกาณของร่างกายคือเขาเสด ร, รูปทิพซ์เสียงทิพซ์กลิ่นทิพซ์อย่างเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยแล้วใจเราฝันไปเนี่ยกเวลานั้นใจกาลังเสด ร, รูปทิพซ์เสียงทิพซ์อแต่เมื่อเราเรานอนหลับเราหลับตามองแต่เรากลับมองเห็นในเวลาเราฝันนี ว่าเราไปที่นู่นที่นี่ไปกินอะไรไปดื่มอะไรไปพบปะอะไรไปเห็นอะไรนั่นแ่ะเขาเรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เวลาที่เรานอนหลนับนี้ใจกำลังเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อยู่แต่พอตื่นขึ้นมาใจก็กลับเข้ามาสู่ร่างกายกลับมารับรับลูกของทางร่างกายใจไม่ได้เข้ามาอยู่ในร่างกายแต่ใจมีกระแส ที่เรียกว่าวิญญาณทั้งห้าโสตะวิญญาณก็วิญญาณทางตาทางหูจากหูวิญญาณก็เรียกว่าวิญญาณทางตาวิญญาณแปลว่าผู้รับรู้การรับรู้รับรู้รูรับรู้เสียงที่ตาไปสัทที่ตาไปเห็นข้าวหูไปได้ยินข้าอย่างตอนนี้เสียงกาลังเข้าไปในหูเราเข้าไปในหูแล้วก็วิญญาณก็รับส่งไปที่ใจ ใจก็รู้ว่าได้ยินเสียงแล้วก็ทบทวนดูว่าเสียงนี้มีความหมายว่าอย่างไรถ้าเคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนก็จะเข้าใจความหมายเช่นเราเกิด ม, มาเปันเด็กนี่เราได้ข้างหน้าเราได้ยินเสียงภาษานี้เราฟังไม่รู้เรื่องแต่พอมีคนสอนว่าเสียงนี้หมายความว่าอะไรพ่อเป็นไทแม่เป็นครแเราก็เริ่มเริ่มศึกษาเสียงต่างๆ แล้วก็จดจำเอ้อยพอครั้งต่อไปได้ยินเสียงนี่เราก็จะรู้ว่าพูดหมายถึงอะไรพอได้ยินคําว่าพ่อเราก็เข้าใจว่ากำลังพูดถึงใครพอได้ยินคําว่าแม่ก็จะก็รู้ว่าพูดถึงใครร่างกายไม่ได้เป็นผู้รู้ร่างกายเป็นเพื่อนผู้เป็นเชื่อมตัวเชื่องตัวเชื่อ ง, องรูปเสียงเกี่ยมลดให้ไปสู่ใจอี ก, อกทอดหนึ่งผ่านทางตาหูจมูกมือกาย แล้วใจก็จะสั่งให้ร่่งกายพูดร่่งกายทำไปตามความอยาก ท, ทันทีพอเห็นอะไรชอบทำยังไงอยากได้ ท, ทันทีใช่ไหมพอเห็นอะไรไม่ชอบทำยังไงอยากจะทิ้ง ท, ทันทีอยากจะให้มันหายไป ท, ทันทีหรือได้ยินเสียงอะไรพอชอบนี้ก็อยากจะได้ยินไปเรื่อยๆพอไม่ชอบนี้ก็อยากจะให้มันหายไปเรอยๆ เวลาใครดานี้ไหนะอยากจะให้มันหายไปอยากจะให้เขาฝุป่ปากไม่อยากให้เขาพูดเนี่ยพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็จะเกิดการกระทำขึ้นมาจะทําแบบไหนทําแบบเป็นบุญก็ได้ทำแบบเป็นบาปก็ได้ทำบาปก็คือไปด่าเขากลับเขาด่าเราเราก็ไปด่าเขากลับเขาด่ากลับมาแล้วก็ไปทุกไปตีเขาอันนี้ก็จะเป็นการนําไปสู ความทุกข์นำไปสู่โทษที่จะตามมาเพราะถ้าไปถึงกับค่าของนี้ใจก็กลายเป็นนรกขึ้นมาเพราะความโกรธเกลียหรือถ้าเห็นของที่ชอบแล้วไม่มีเงินที่จะซื้อก็ไปขโมยขอ้อใจนี่แหละเป็นคนสั่งให้ร่างกายไปขโมยร่างกายมันเป็นเพียงแต่เหือนเครื่องมือชนิดหนึง่งเป็นเหมือนเครื่องมือที่เราใช้เช่น รถยนต์นี้ก็เป็นเหมือนเครื่องมือรถยนต์มันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่คนขับแล้วจะสั่งให้มันไปทางไหนมันก็วิ่งไปทางนั้นใจร่างกายก็เหมือนกันรอคําสั่งของใจใจสั่งให้ไปขโมยมันก็ไปขโมยใจสั่งให้ไปฆ่ามันก็ไปฆ่าใจสั่งให้ไปพูดโกหกหลอกลวงมันก็ไปพูดโกหกหลอกลวงทีนี้ทําไมใจต้องมาทําเรื่องราวเหล่านี้ ที่ทำบาปก็เพราะไม่รู้กันไม่รู้ถึงผลของบาป ท, ที่จะตามมาว่าจะทำให้ใจนี้ทุกจะทำให้ใจนี้เลวลงถ้าเป็นตำรวจในทางานที่มียศสูงก็จะถูกเลื่อนขั้นลงจากในพลก็จะลงมาเป็นในพันเหมือนกันในทางโลกเห็นไหมเวลาใครทำผิดมียศอะไรเดี๋ยวเท่าก็ปรับลดลงมา ถ้าทาํางานคุณทําคุณงามความดีทําประโยชน์ก็ทำบุญทํากุศลเขาก็ปรับลดขึ้นไปแต่ใจเรานี้ไม่ต้องมีใครมาปรับให้มันตัดโดยอัตโนมัติมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับน้ําเนี่ยเวลาถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิถ้าเพิ่มความร้อนน้ำมันก็ร้อนขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเราลดอุณหภูมิน้ำมันก็เย็นลงมา ท, าทันทีใจเราก็เหมือนกันใจทําบา ใจก็จะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีใจทำบุญใจก็จะเย็นไปงลงมา ท, าทันทีนี่คเกิดธรรมชาติของใจของลูกเราที่เราเป็นอะไรกันต่างๆนี่ก็เพราะการกระทาของเราทำไมญาติโยมถึงเป็นญาติโยมทำไมเราถึงมาเป็นพระเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีนั่งการเหมือนกันมีพ่อมีแม่เหมือนกันเกิดมาเหมือนกัน ร่างกายเหมือนกันแต่ใจไม่เหมือนกันใจคิดไม่เหมือนกันใจมีความรู้ไม่เหมือนกันญาติโยมไม่รู้ว่ามักผลนิทานนี้ดียังไงเราได้ศึกษาแล้วเราเคยสัมผัสกับผลของมันเราก็รู้ว่ามันดีกว่าสิ่งที่ญาติโยมกำลังหากนอนูดญาติโยมหาอะไรสิ่งที่ให้ความสุขกญาติโยมเคยออก็คือลาบยกสรรเสริญ ทางสุขทางตาหจงจมูกลิ้นการกันใช่ไหยญาติโยมไม่เคยสัมผัสกับทางสงบกันไม่ได้สัมผัสกับความสงบระดับต่างๆมักผลที่ทางก็เป็นความสงบระดับต่างๆนี่ไม่ใช่อะไรหรอกสงบน้อยสงบมากขั้นแรกก็สงบในระดับหนึ่งขั้นที่สองก็เพิ่มขึ้นขั้นที่สามก็เพิ่มขึ้นขั้นที่สี่ก็เต็มร้อยเหมือนพระจันทร์เนี่ย พระจันทร์ตอนนี้กำลังขึ้นนะเขนเราดูพระจันทร์ตอนคขื่อนตอนนี้มันจะสว่างขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปเทีลและทเทเน้อเดี๋ยวพอขึ้นสิบห้าข้ามมันก็เต็มดวงความสุขของใจก็แบบเดียวกันถ้าปฏิบัติตามที่ พ, พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติคือละการทำบาป ท, ทั้งปวง ทำผู้สนทั้งหลายให้ถึงพร้อมทางดีต่างๆให้ถึงพร้อมกำลังความอยากต่างๆให้หมดไฟจากใจใจก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับเหมือนกับพระจันทร์ที่ค่อยๆมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสว่า ง, างเป็นดวงนี่คือใจของพวกเรา ผู้ที่ไปเป็นอะไรนี้ไม่ได้เป็นร่างกายพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ใจที่ร่างกายก็ยังเป็นสัมมณะโคโดมยัเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่เดี๋ยวแต่เราไม่เรียกชื่อท่านว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหรือสัมมณะโคโดมเรียกว่าสัมมณะโคโดมเวลาที่ท่านออกบวชแล้วก็เป็นสัมมณะโคโดมแต่พอตัดสโลใจของท่านนี้จากปุตุชน กลายเป็นพระอาหารหันต์ตสัส ม, มาสามพุทธเจ้าขึ้นมาใจของท่านนี้หลุดพ้นจากความทุกทั้งฟวงเพราะท่านทำลายเหตุที่จะทําให้เกิดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปคือความอยากต่างๆความอยากสามประการนี้กันความอยากนี้มีทั้งอยากที่ดีและอยากที่ไม่ดีความอยากที่ดี ก็ถ้ายังเราถ้ายังไม่มีความดีเราก็ต้องอยากทําไปแต่ถ้าเรามีความดีพร้อมนะั้นเราก็หยุดความอยากทําดีด้วยพระพุทธเจ้านี้หยุดมมหมดความอยากทําชั่วก็ไม่ทําความอยากทําดีก็ไม่ทําเพราะมันเต็มแล้วทําเต็มที่นะความดีเต็มหัวใจแล้วไปอยากก็ไม่เกิดประโยน์อะไรแต่ที่พวกเราต้องหยุด หยุดความอยากไม่ดีก็มีอยู่สามคือความอยากในรูปเสียงเกิดลรเรียว่ากางนักัญหาความอยากเป็นอยากมีเรียกว่าภาวะปัหาและความอยากไม่เป็นอยากไม่มีเรียกวิภาวะปัญหาสามตัวนี้เป็นตัวที่จะทำให้เราต้องมามีว่าตาเกิดกันส่วนความอยากทำบุญความอยากจะนั่งสมาธิความอยากรักษาสี่ความอยากภาวนา ปฏิบัติธรรมนี้เป็นความอยากที่ดีที่เรายังต้องมีอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีความดีเราจึงต้องอาศัยความอยากอยงนี้เพื่อสร้างความดีขึ้นมาแต่เมื่อเราได้ทำใจให้ดีเต็มดวงแล้วเต็มที่แล้วไม่มีที่จะให้ความดีเข้าไปได้อีกแล้วเราก็หยุดความอยากทาความดีด้วยเพราะอยากไปก็ทำให้เราเหนื่อยไปกว่า ไม่เกิดประยชนะไรเหมือ น, น้ําที่มันเต็มตุ่มนะยังอยากไปเติมน้ําอยู่ะวะแเอามย่ไงไรมันก็ร้นตุ่มนะขั้นในใครบ้าไปเติมมากใช่ไหมเมื่อน้ํามันเต็มตุ่มแล้วก็อยากก็หยุดแต่เวลาน้ํามันไม่เต็มแล้วก็ต้องอยากเติมนะเพรมีน้ําเต็มตุ่มมันดีกว่าน้ำเครึ่งนะตุ่มเลยตอนเวลาน้ําประปาไม่ไหลี้เราก็จะได้มีน้ําใช้ได้เต็มที่ใจเรวก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้ใจเราแห้ง ด้วยน้ําของความดีทั้งหลาเราเลยต้องมาเติมน้ําความดีความอยากทำความดีจึงไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นตัวที่เราต้องการที่จะมาหยุดทําอันนี้เราต้องการหยุดทําแต่้กิเลสที่มันจะมาคอยทําให้น้ําน้ำเราไหลออกมาใจเราเป็นเหมือนตู้น้ําเนี่แหละแต่น้ําเราเติมเข้าไปท่างหลังมันก็หมดพร่องอยู่เรื่อยๆก็กิเลสมันไปเจาะรูไว้ ควอยากมันไปเจาะ ด, ดูในตุงมไหมมันเลยทําให้เราเติมก็ไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอสักทีหาเงินมาหาเงินมาได้เท่าไหร่พอไหมได้ร้อยล้านพอไหยได้พันล้านพอไนะหมไม่พอหรอกพราะมันรั่วมันมีรอยรั่วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็พองนะได้มาก็ดีใจสองสามวันแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้เพิ่มนะเดี๋ยวเราต้องมาอุดรอยรั่วรอยรั่วสามรอยนี้ก็คือพวานอยากสามตัวนี้ ที่ทําให้ใจเรารั่วทําให้ใจเราต้องหาความสุขมาแจออยู่เรื่อยๆถ้าเราอดลอยรั่วแสนตัวนี้ได้ตับความอยากการมาตัญหาภาวตัญหาวิภาวตัญหาได้พอเราทําความดีก็ไปมันก็จะเก็บไว้ในใจเราตลอดมันจะไม่รั่วไหลไม่ไม่หายไปแล้วก็จะมีความดีเต็มหัวใจ พอเรากำจัดความโลกความโกดธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะเต็มไปด้วยความสุขที่เรียว่าป a ม a m a n g s ั k h a n g baloma ไม่มีวันท่องไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราเติมกันตอนนี้ไปเที่ยวกันก็มีความสุขพอกลับมาบ้านความสุขมันก็หายไปอยากจะเอาไปเที่ยวไหมนซื้ออะไรมาก็สุขกัน่เดียวเดียว เดี๋ยวก็อยากต้องไปซื้อใหม่นะซื้อมาเท่าไหร่ก็เหมือนเดิเหมือนเดิมสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผลขึ้นมาทำให้ความสุขเก่าที่ได้มาหายไปต้องไปหาความสุขใหม่มาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามาทำความดีตามที่พระเจ้าทรงสอนมาทำทานมารักษาศีลมาพาวนากันเราก็จะทำให้ใจเราอิ่มเรพอไปตลอด พราเรากำจัดตัวที่จะทำให้ความสุขของเราหายไปก็คือกา ร, าาารว่ตาตัณหาภาวตัณหาและวิภาวะตัณหานี่ไม่ใช่ตัวไหนหรอกที่ทำให้ความสุขต่างๆที่เราหากันมานี้หายไปก็ความอยากในการนี่แหละพออยากดื่มพอได้ดื่มก็มีความสุขเดี๋ยวก็อยากดื่มขึม้นมาใหม่นะพออยากดื่มขึม้นมาใหม่ความสุขที่ได้จากการดื่มครั้งที่แล้วก็หายไปต้องดื่มใหม่ อยากจะดูอยากจะฟังก็เหมือนกันอยากจะอะไรเท่างหลนยพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาความสุขเก่าหายไปหมดละแต่ถ้าเราหยุดความความอยากใหม่ได้ความสุขเก่าก็จะไม่หายไปอย่างถ้าเราอยากจะมีความสุขแท้จริงเราต้องอยากไปทําตามความอยากเราต้องหยุดความอยากกันถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วความสุขมันจะกลับมาเองที่มันหายไปเพราะความอยากใหม่มันไปทําลาย นี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่ทํำบุญทำกรรมกันไปตามความญยากทำบุญก็เพราะไม่ทําบาปก็เพราะไม่รู้ว่าเป็นบาปก็เลยทํากันคนที่ทําบาปกัปนนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อบาปเขาไม่เชื่อนรกเชื่อสวรรค์เขาไม่เชื่อว่าตายแล้วเขาจะต้องไปเกิดใหม่ไปรับผลบาปที่เขาทำํำเพราะถึงกล้าทําบาปกันแต่คนที่ไม่กล้าทําบาปนี่เป็นคนเชื่อว่า ตายไปแล้วมันจะต้องไปรับผลบุญผลดาาต่อไปก็จะพยายามทาแต่บุญแล้วพอได้เจอคนอย่างพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทําบุญรักบ่าแล้วก็ให้กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกลับมาเติมความสุขอยู่เรื่อยๆเพราะเราจะได้ความสุขที่ถาวร ถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับคําสอนเราก็จะสามารถยุติการเวียนว่าตายเกิดได้ถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่เจอพระพุทธศาสนาอย่างมากเราทําได้ก็ทําแค่ทําถึงขั้นระดับชั้นผงสมาี่ยังไม่มีพระพุทธเจ้านี้คนเขาสามารถสร้างกิตพัฒนากิจให้ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นผมได้แต่สวรรค์ชั้นพผมสวรรค์ชั้นเทกมันก็ยังเสื่อมได้ ขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาได้ขึ้นมาแล้วพอกำลังที่ส่งมันขึ้นไปมันหมดกำลังมันก็ต้องตกลงมาเหมือนเครื่องบินเนี่ยลององบินขึ้นไปเดี๋ยวน้ำมันหมดมันก็ต้องลงนยจะลงไม่ลงมันก็ลงอ่ะถ้าลงก่อนที่มันหมดมันยังควบคุมให้มันลงได้อย่างเครื่องที่ตกในบราซิลเนี่ยก็มันก็น้ามันมันหมดก่อนที่ถึงสนามบินมันก็เลยต้องลงแบบ ทิ่มหัวทิ่มหลงถ้ารงแบบจังมีนะมันเหลือมันก็ยังพอจะบังคับให้มันลงบนรันเวย์ได้ให้มันปลอดภัยยั้นถ้าเรายังไม่ได้ทําบุญถึงขั้นระดับของพระอริยเจ้านี้บุญที่เราทําต่างๆนี่มันยังหมดได้บุญของสวรรค์ชั้นพรหมนี่ก็หมดได้บุญสวรรค์ชั้นเทพก็หมดได้หรือแม้แต่บาปมันก็หมดได้ครับ ไปใช้บาปแล้วเดียวมันก็หมดได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเสร็จแล้วเดี๋ยวพอบาปที่ทําไว้หมดมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปตกนรกบาปที่ส่งให้ไปตกนรกพอมันหมดมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่มันกลับมาแล้วมันก็ไม่มันไม่เข็ดหรอกมันมันจำไม่ได้มันไม่รู้ว่ามันไปตกนรกมามันไม่รู้ว่าเป็นเดรัจฉานมาเพราะกลับมาเกิดใหม่มีความอยากได้อะไรมันก็ไปทําบาปตามนิสัยเดิม เนี่ยมันก็กลับไปหน่อยเราก็เลยเกิดเกิดดับๆขึ้นขึ้นลงเลนี้ยพวกที่เคยทําบุญก็กลับมาทําบุญต่อพวกที่เคยทําบาปก็กลับมาทําบาปต่อจนกว่าจะได้มาเจอพ่อแม่ที่มาสอนเราให้ทําบุญไม่ให้ทําบาปเราถ้าเราเปลี่ยนนิสัยได้เคยทําบาปเราเปลี่ยนมาทําบุญได้เราก็จะทําบุญถ้าเราเคยทาบุญแล้วมาเจอพ่อแม่สอนให้ทําบาปเราก็กลับไปทําบาปได้เนี่ยอยู่ที่คนที่สอนเรา ถ้าเราได้มาเจอพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนให้เราครบสุขเลยให้ทําบุญให้ละบาปให้กําจัดชําระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิดพอเราทําครบสุดนี่เราก็ไม่ต้องกลับเกิดแก่เจ็บตายได้ชาตินี้ถือว่าเป็นชาติที่วิเศษสําหรับพวกเราเพราะนานๆจะได้มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราสักครั้งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็อยู่ไม่นานเนี่ยคำสอนชาวตนาพุทธนี่ท่าน ท่านพยากรณ์แม้ว่าไม่เกินห้าพันปีนี่ก็มาครึ่งเลยวะทำสอนก็เริ่มเมื่อะเอินละคนศึกษาก็เริ่มหลทางละเริ่มไม่เข้าใจกันแล้วพระเจ้าสอนอะไรกันเนี่ยบางคนก็สอนให้ทําอย่างนี้บางคนก็บอกให้ทําอย่างนั้นมีร้อยแปดพันประกาศอันทั้ที่เวลาสอนพระเจ้าสอนอย่างเดียวแต่ไอคนฟังมันฟังแล้วมันไปแปลความหมายเป็นอย่างอื่นไปหมดเนี่ย ต่อไปมันยิ่งจะเลิะเทอยิ่งกว่านี้นี่มันแค่มาครึ่งทางนะ 2,500 ปีเดีย๋ยวเกิดถึงขั้น 3,500 ปีนี่อาจจะหลงกันลวไม่รู้อะไรเป็นอะไรละตอนนี้ก็เริ่มหลงกันละทีนี้จะเอาแต่บุญบางสังสวดกันมันค่อยจะเอาปฏิบัติกันอะไรก็จะสวดกันอย่างเดียวนี่เส้นปีก็จะสวดเองอั่นนี่ทาไมไม่มานั่งภาวนาไงวนะ อไมไม่มาปฏิบัติทรรเงั้ยอแล้วาสวดกันทำไม uh huh. มาถือศีแแลแปดมานั่งภาวนากงน้ยสิไม่เอามันลำบากไม่อยากถือศีลแปขอเวลาห้าชุวกว่วมานั่งสวดสักสิบห้านาทีก็พ อ, พอแล้วไปสวรรค์ได้แล้วเนี่ยมันแลวเทอกันขนาดเนี้ทุกวันเนี้ย แล้วต่อไปมันจะลดเท่ายิ่งกว่านี้คือคนที่รู้จะรู้น้อยลกไปเรื่อยๆคนที่หลงจะมีมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้ก็ยังมีคนที่รู้ทางนี้อยู่แต่ท่านก็อยู่ในที่ที่หายากเลยเพราะคนที่จะเดินทางนี้เขาจะต้องไปหาที่เงียบๆอยู่กันเราไม่มาอยู่ที่ที่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆเห็นไนี่ก็ออกมาวุ่นวายเรื่องกฎหมายพรบรสงอีกแล้ว อก็สอนให้มาแก้กฎหมายบ้านบอคอแตกคนนี้ก็ตพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเท่าไหร่ทางบ้านเมืองก็จะทําบัญญัติบ้าบออะไรก็เลืองของเขาขอให้เราอยู่ภายใต้กฎของพระพุทธเจ้าแล้วปลอดภัยนะไม่มีใครเขามายุ่งกับเราเลย<ฮ>เราไปยุ่งกับบ้านเมืองเขาเองใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติศีลสองร้อยเจ็ดข้อมันจะมันจะมีปัญหาลงไหนไอ้ปอลบอสองมันเกี่ยวอะไรกับเรา ใช่ไหมใครเป็นสังฆรามไม่เป็นสังฆราไมันเกี่ยวอะไรกับเรามันทำให้เราไปไ ป, ไปนิพพานได้หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่กลับไปวุ่นวายกันกลับไปแสดงวิภาควิจารจะออกมาสวดอะไรนะแผ่เมตตาเลยทำไมไม่ไปเข้าฝากันไปทุโดงกันสิไปพาวนากัน응 จเจริญกรรมฐานกันจเจริญมรณาลดสติกันใครเป็นอะไรเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันแหละกรนไปทำไมบางกันเนี่ยมันเละเอทอะได้พูดได้ฟังว่าศาสนามันเสื่อมไปเรื่อยมันหลงทางนะพระไปยุ่งกับญาติโยมทำไมเรื่องของญาติโยมญาติโยมจะออกกฎหมายอะไรก็เรื่องของญาติโยมไปแล้วมีกฎหมายของเราอยู่แล้วพระพ<ม>ุทธเจ้าท่านมอบกฎหมายของพระให้แล้ว สองอยี่สิบดข้อทำไมไม่รักษากาันนะปฏิบัติกันสิคำสอนที่พระเจ้าสั่งให้สอนสั่งให้ทเนั่นให้ไปเปริกเว่ยให้ไปภาวนาให้อยู่ในป่านในเขา ใ, ให้ไปกำจัด ก, กิเลสตัณห า, า ค, ความโลภความโกรธความหลงหอต่างไม่ไปทำนย่กลับมาทำเรื่องอะไรกันไม่ย ร, ร, ร, รย้นี่เราเลอะเทอะเขายังไมันจะหลงมากขึ้นไปเรื่อยๆ งานของตัวเองกลับไม่ทำชอบไปทํางานของคนอื่นมาคนที่คนที่ติดตามก็ลหลงตามเลยด้วยลงบ้าไปด้วยเนี่ยันนคำว่าเสื่อมวิสาทธนาเป็นนี้เอาแม้พุทธการนี้พุทธเจ้าอาสง์ที่บวชกระพุทเจ้ามีแต่ภาวนาใช่ไหมมีแต่ศีลสมาธิสัญญาเบิกเวกอยู่ในปา่าอยในเขาสมัยพธธระพุทธเจ้านี่เพราะว่า ผ้าหัรนี่เดินชนกันว้วนไปหมดเลยเ ด, เดินทางนี้ก็ชนโองนั้นเดินทางนี้ก็ชนโองนี้สมัยนี้หาหาที่ไหนเจอมันก็แบบหาไม่ค่อยเจอเลยมันกลับงอมเข็มในมหาสมุทรอะสมัยนี้กว่าจะเจอผ้าหลังชักรุ่งนลวงปู่ั่นนี่กว่าที่ท่านจะปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายากทางไป อยู่ในป่าเชียงใหม่นี่เนีต้องให้มีครูบาอาจารย์เป็นมนุษย์ท่านมาสอานสอนยังก็ไม่มีใครรู้จักท่านอย่างพวกเราถือว่าโชคดีชาตินี้ที่เรายังได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เจอผู้ที่รู้ทางถึงแม้จะมีน้อยก็ยังพอหานะถ้าเราขวนขวายยังขอให้เราอย่าไป โยนสิ่ของที่ดีทิ้งไปคือคําสอนอนั้นกระเสือกของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราได้ปฏิบัติตามนี้รับรองได้ว่าเราจะพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นนายพลได้ตอนนี้เราเป็นนายจ่านายสิทธิ์ถ้าเราเอาคําสอนพระเจ้ามาพัฒนาต่อไปก็จะกลายเป็นนายพลไปจึงเป็นจอมพลอย่างนี้จอมผลก็คือพระอาหารหันต์ อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การศึกษาเพราะเราไม่รู้ทางของการที่จะพาให้ใจเราขึ้นสูงกันเรารู้จักแต่ทางที่จะพาให้เราสู่การลงตังคเราต้องมาศึกษาจากผู้รู้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเปนตัวแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอไม่ได้อยู่ปัสสะจากเร า, าศาสดา ข้อศาสดาของเราก็คือทำพระธรรมคำสอนที่เราสอนพวกเธออยู่นี้แหละจะเป็นเป็นศาสดาแทนเราต่อไปจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้ า, ถ, าถ้าพวกเธอมีพระธรรมคำสอนของเราถ้าเราศึกษาคําสอนที่นด้จารึกไว้ในพระไตรปิฎกพระสูตรต่างๆเช่นพระธรรมจากกัปวัตตนสูตรพระมหาสติปัฏฐานสูตร พระมงคลปะสูตรเป็นประสูตรสำคัญสาคัญที่จะบอกทางให้เราบอกทางเดินให้กับเราให้ไปสู่ถึงพระนิพพานท่ามงคลสามสิบแปดก็อธิบายอย่างสามสิบแปดขั้นขั้นบรรดสู่พระนิพพา น, านถ้าม้าสติปัฏฐานสี่ก็คือการปฏิบัติจิตสี่ระดับด้วยกันสู่พระนิพพา น, านอันนั้นเป็นทางขั้น เจาะจงเฉพาะขั้นขั้นปฏิบัติแต่ขั้นของมุงคนละส่วนนี้เอาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเลยเอาตั้งแต่ยังเป็นคารวาสนี่เลยขั้นต้นก็ให้คบคนฉลาดอย่าคบคนโง่ให้คบคนที่รู้จักธรรมะอย่าไปคบกับคนที่ไม่รู้จักธรรมะถ้าไปคบกับคนไม่รู้ธรรมะมันก็ไม่พาเราไปทางธรรมเราต้องคบกับคนที่รู้จักธรรมะก็จะพาเราไปทางธรรม เป็นข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ยเป็นผู้รู้ธรรมพระข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ยก็จะได้ยินแต่ธรรมเท่านะมาที่นี่ก็ได้ยินเรื่องอะไรนะก็มีแต่เรื่องธรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรื่องข้าวผัดเรื่องขนมนมเลยมีแต่เรื่องธรรมนะเรื่องบุญเรื่องบาตเรื่องทานศีลภาวนาเรื่องมรรคผลนิพพานยัน ในวงคณะสวดเนี่ท่านสอนเลยว่าอย่าไปคบกับคนโง่คนโง่มันจะชวนเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มนเนี้ยถ้าคบกับคนโง่เดี๋ยวก็ชวนเราไปเที่ยวปีใหม่เนี่ยหยุดสี่วันมีใครมาชวนน้อยอย่างถ้าชวนไปเที่ยวเลยก็พวกกโง่เท่านั้นเลยแบบถ้าชวนมาวัดเนี่ยพวกฉลาดนะสีวันนี้ไปวัดกันดีกว่าไปทำบุญทำทางไปรักษาศีลไปภาวนากันนี่เรียวกว่า บ, บัณฑิต ถ้าชวนไปเที่ยวไปกินเหล้านมยาไปนั่งถอยหลังเนี่ยไปเค้าดาวนี่กับพวกคนโง่คนพานเนี่ยมงคลลาสุกท่านว่าไม่คบคนพานคบคนฉลาดไม่คบคนโง่คบคนฉลาดเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะคนคนฉลาดก็จะชวนนะฮะเราไปทําในสิ่งที่เป็นมงคลนั่นเองคนโง่ก็จะชวนเราไปทําในสิ่งที่เป็นอัปมงคล กินล้าเมายาแล้วเมาหัวหัวเท่มนี่มันดีไหมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เมาหัวเท่มเตืเต่นขามาก็ปวดหัวเงินก็เสียยังต้องมาเสียสุขภาพต้องมาปวดหัวต้องมาซื้อยาแก้ปวดหัวกินนี่นี่คือเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจา้า ที่พวกเราคนที่จะศึกษากันอยู่ด้วยเลยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าจริงๆในเวลาอ่านคำสั่พุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับว่าได้ยินจากปากของพระพุทธเจ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจับไว้แล้วพระท่านท่องจาำกันมาแล้วก็ถ่ายทอดกันจนถึงปัจจุบันถ้าเรานำมาคําสั่งพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ หัว ใ, ใจของเราก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่งนั้นขอให้พวกเราใช้โอกาสอันดีนี้ชีวิตอันดีนี้ด้วยการเข้าหาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้รับประโยชน์อันสูงสุดเราจะได้พัฒนาชีวิตจิตใจของพวกเราให้ดีขึ้นไปตามลาดับจนถึงขั้นสูงสุด ถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาเสื่อมถ้าเป็นขั้นพระอริยะเราไม่เสื่อมมีแต่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดขั้นพระโสดาบันนี้ท่านียกว่าได้เข้าสู่กระแสคาว่าโสดาแปลว่ากระแสโสตะคำว่าโสดามาจากคาว่าโสตะโสตะแปลว่ากระแสผู้เข้าสู่กระแสเรียกว่าโสดาบานันกระแสของพระนิพพานีาน่ เหมือนกับผู้ที่ขึ้นทางห่วนเนี่ยพอขึ้นทางห่วนปั๊บเนี่ยมันไม่มีทางออกนะมันจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วพระโสดาบันก็เหลือแค่เจ็ดชาติเป็นอย่างเง้พอขั้นที่สองก็เหลือแค่ชาติเดียวพระสิธรดาธานี ay. พอขั้นที่สามก็พบของมนุษย์ก็ไม่มีแล้วเหลือแต่พบของผงแล้วพอขั้นพาระอรหันต์ก็หมดเลยภพของผนก็ไม่มี เป็นไปถึงพระนิพพานแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะไปได้ก้อนนี้ต้องฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติถ้ามาเกิดในภพที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคําสอนก็ไม่มีวันจะไปถึงก็เหมือนสมัยก่อนล้วไม่มีทางด่วนเดินทางมันเป็นยังไงเห น, นื่อยไหมเดี๋ยวนี้พอมีทางหลวนพอขึ้นทางหลวนได้ก็ไปเดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้วนี่แหละ พ, พระพุทธศาสนานี้เปรี่ยนเหมือนทางด่วนทางที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานให้เราข้ามจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ฝั่งของโลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตาเยเกิดถ้าไม่มีสะพานนี้เราว่ายข้ามปวไปไม่ไหวมันไกลมากเหมือนเราจะว่ายน้ําจากนี่ไปอเมริกานี่คงน่าจะไม่ไหวแต่สมัยนี้เรามีเครื่องบินเราก็เลยไปกันได้ทัในใด ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่มีก็เปลี่ยนไม่มีเครื่องบินไม่มีเครื่องบินที่จะพาเราไปพันนิพพานตอนนี้เรามีเครื่องบินแล้วตีตั๋วสิตั๋วก็แค่ทานศีลภาวนานี่เท่านีงไม่กี่ตังค์ทำทานหน่อยรักษาศีลหน่อยภาวนาหน่อยก็ได้ขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวก็ไปถึงพรนนิพพานแล้วนะพยายามนะ โอกาสอย่างนี้หาได้ยากถ้าหน้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาก็ได้หรือไปเจอนะไปเกิดในประเทศที่ไม่มีศาสนาก็ได้อย่างสมัยนี้เห็นไหมขนาดชาวต่างประเทศยังต้องมาที่นี่เลยเพราะประเทศเขาไม่มีพระพุทธศาสนามีก็มีไม่ครบเต็มระบบเราอยากจะปฏิบัตินี้ต้องมามาที่ประเทศไทยก่อนในบนเขานี่มีชาวต่างประเทศต้องเกือบสิบคนมาอยู่ อ, อยู่ในเขาเนี่ยมาหาพรนะนิพพานเนมาเจริญสีนสมาธิปัญญากันทั้งเป็นคารวะทั้งเป็นพระเพราะที่ประเทศเขาไม่มีระบบที่ประเทศเขาจเจริญกว่าเราหลายร้อยเท่าแต่เขาสู้เราไม่ได้เนื่องจากการพระนิพพานเนร่ยเขต้องมาทางนี้กันเขาต้องมาศึกษามาปฏิบัติที่ประเทศไทย เพาะประเทศไทยนี้มีพร้อมที่จะรับรองผู้ปฏิบัติธรรมมีสถานที่สงบสงับวิเวกมีครูบาอาจารย์ที่รู้ทางรู้ธรรมมีศรัทธาญาติโยมที่ยินดีที่จะสนับสนุนอยู่ที่นั่นไปบินสบายก็อดตายถ้าไม่มีคนไทยอยู่ไปไปบินสบายก็ไม่ได้กินเยพระที่ไปอยู่เมือ ง, งนอกนี้ถ้าไม่มีคนไทยก็ยอดตายอย่างนั้นอาศัยคนไทยที่อยู่นมองต่างประเทศ ไปคอไปทําบุญคอไปสนับสนุนพระสงฆ์งเจ้าไปเพราะต่างไปใช่เขาไม่มีเขาไม่มีพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้รับการสั่งสอนให้ให้ทำบุญใส่บาตเขากลับไปเห็นว่าการบิณฑบาตเป็นขอท า, านการให้ขอทานเขาว่าเป็นการไม่ดีไม่ได้ส่งเสริมให้คนฉลาดให้คนขยันให้คนทึ่งตัวเองเขาถึงไม่เขาไม่เลยม ส, ส่งเสริมในเรื่องการทําบุญทําทานเรื่องการใส่ ให้ทานกันเพราะก็เห็นว่าเป็นการทําให้คนนิคีร์เกียรติทำให้คนต้องมาพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองไม่ได้เขาก็เลยไม่สนับสนุนเรื่องการให้ทานง mm hmm. ันถ้าไปไปเกิดในต่างประเทศแล้วเกิดไปสนใจกับการปฏิบัติธรรมนี้ต้องมาประเทศไทย น, นั้นะถึงจะถึงจะปฏิบัติได้หรือแม่งก็ต้องอยู่ใน ในกลุ่มที่มีชุมชนชาวไทยหรือชาวพุทธที่ไปอพยพไปอยู่ที่นั่นถึงพอจะอยู่ได้ถ้าใชาวไทยก็ชาวลาวชาวเขมรชาวศรีลังกานีเขาก็ยังมีการทําบุญใส่บาตรกันอยู่แต่ยังไงก็สู้มาอยู่เมืองไทยไม่ได้เพราะเมืองไทยมีป่ามีที่สงบสงัาที่เวกให้ภาวนาได้ผู้ที่จะบรรลุธรรมนี่ต้องอาศัยป่าอาศัยเขา พระพุทธเจ้าพระหลานั้งหลาน 99.9% นี่บรรลุธรรมในป่าในเขาเนมีอาจจะมีจุดศ 1% ที่เป็นพวกกรณีพิเศษที่สามารถบรรลุธรรมได้โดยที่ไม่ต้องไปบาเพ็ญเพราะมีบารมาีเก่ามาพอได้ฟังธรรมข้างแรกก็บรรลุได้เลยอันนี้ก็มีน้อยมากแต่ก็ยังมีอยู่แต่อย่าไปเอาตัวอย่างนี้มาเป็นตัวอย่างของเราเราไม่ต้องไปบวชก็ได้ ฟังทำผลเดียวแล้วก็บรรลุได้ถ้าเขาบรรลุได้เราก็ต้องบรรลุได้นี่เราฟังมากี่ครั้งแล้วบรรลุยัง <c oughs> ถ้ายังไม่รู้ก็แสดงว่าบา ร, รมียังไม่พอต้องไปสร้างบา ร, รมีสร้างศีล ส, ส, สร้างสร้างทานสร้างศีลยังหาเงินยังใช้เงินอยู่หรือเปล่าถ้ายังหาเงินใช้เงินอยู่ก็ต้องเลิกหาเงินใช้เงินก่อนไปบวชให้ได้ก่อนบวชแล้วก็ปักษาศีลให้บรสุได้หรือเปล่า ร, รัษาสิ้นลอสุดแล้วเจริญสติทําใจให้รวมเป็นสมาธิได้หรือเป่านั่แหละแล้วถึงขั้นมาฟังเทศฟังธรรมใจรวมเป็นสมาธิได้แล้วฟังธรรมมีบรรลุได้สมัยที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมครัง้งแรกๆหนึ่งท่านทรงแสดงให้พว ก, พวกที่มีสมาธิกันแล้วพระปัญจวัคคีย์กลุ่มแรกมีอมีชางพขาได้ฌานได้สมาธิกันแล้วพ <c oughs> อแสดงอรียาสัจสี่สแสดงใจแล้วเขาก็เข้าใจ เขาก็บรรลุได้ทันทีพวกเรานี้ก็ฟังอริยสัจสีกันมาฟังใจรักกันมาแต่บรรลุได้ปะเพราะไม่มีสมาธิใช่ไหมไม่มีกําลังสู้กิเลสยังอยากอยู่พระเจ้าบอกความอยากนี้เป็นทุกข์เราเรายังไม่อยากอยู่เพราะเราไม่มีกําลังหยุดมันพอมันอยากจะทําอะไรนี้ไม่ได้ทําแล้วมันทุกข์แต่ก็คิดว่าถ้าทําแล้วมันหายทุกขนะ์มันก็หายเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่มันก็ผล่ขึ้นมาใหม่ จะหยุดมันไม่ไม่มีกําลังที่จะหยุดมันต้องทําเพราะไม่ทําแล้วจะยิ่งทุกข์ใหญ่แล้กวก็ทำแล้วมันก็กลับมาทุกข์ใหม่ทีหลังอยู่ดีเหมือนกับเลื่อนความทุกข์มปข้างหน้าเท่านั้นเองทุกวันนี้ก็เลยขอเลื่อนไปก่อนก็เลยขอทําตามความอยากไปก่อนมันอยากกินเล้าถ้าไม่ได้กินแล้วมันทุกข์ก็ขอกินก่อนกินแล้วความทุกข์วันนี้หายไปเดี๋ยววันข้างหน้าก็โผล่มาใหม่ถ้าไม่อยากให้มันโผล่มาก็ต้องหยุดกันในวันนี้แหละ ถ้าหยุดวันนี้นะพรุ่งนี้มันก็จะไม่โผล่มาถ้าโผลม่มาก็เบากว่าวันนี้มันจะเบากลงีปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะหมดไปอนี้คือเรื่องของการที่เรามีบุญมีวานสนามีโชคที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอย่าปล่อยให้โอกาสอ น, นี้หลุดมือเราไปนะเพราะวานานจะได้พบของดีของวิเศษนี้สักครัง้งนึง พระรัตนกพระพุทธพระธมพสงรัตนกายว่าเพชรนินจินดาที่มีคุณค่ากว่าเพชรนินจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเพชรนินจินดาในโลกนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจเราได้ไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากการเวีนวายตาเกิดได้แต่พระรัตนตายนี้จะเป็นผู้ที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากการเวีนว่ายตาเกิดได้ในดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ ยันได้เพชรมาแล้วอย่าอย่าเคียวเที่งเหมือนไก่ได้คลอยไก่นี่มันไม่ชอบคลอยเพชรมันชอบตัวหนอนตัวไส้เดือนเพอะเพชรมันกินไม่ได้เพราะมันไม่รู้คุณค่าของเพชรว่ามีราคาดีขนาดไหนเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอนิสิตไว้เพียงครันน้นี้ขอนุโมทนาให้พร วันนี้หนูจะมาอยู่บนเขาหน้าอยากจะเรียนสเปนมากอยากพูดพูงสร้างที่สเปนมีศู์ของท่านอาจารย์โกเรงกาเขาก็ไปปฏิบัติมาวันสีแต่ว่าทาอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเขาปฏิบัติแต่ไม่ไม่เข้าใจภาษาไม่เข้าใจเหตุผกาปฏิบัติไม่ไม่ตรงประเลย ก็ได้สมมติฐานแต่เรื่องปัญญานี่ยังไม่ได้ใช้ไม่ใช้ไม่ถูกปัญญาก็คือต้องพิจารณาความไม่เที่ยงแค่แน่นอนของสังขารร่างกายของเราก่อนอก็เป็นนึงไม่พอละเป็นเป็นนึงทงั้งนึงมันน้อยแต่มันเกินข้าปีละครั้งมันก็มันต้องพิจารณาข้าวเดินคอสิบวัน สอ ง, งข้อประมาณที่สบวันแล้วก็ภานที่บา้านเร่อยต้องทาทุกวันยงกินข้าวทำได้มากๆทาให้เพื่นซึ่งกันเรื่อถ้าอยากจะทามากก็ตัด ก, การงานทำยางเหนื่อยไปทางานให้น้อยลงทเที่ยวให้น้อยลง พราการจะทำให้ใจสงบได้จริงๆนี่ต้องทำทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่นั้นนะแล้วต่อไปจะไม่วิตกกรรวัไม่ไม่ห่วงใยถ้าดังๆชค่ะ่้ญญาค่ะเป็นอะไรปฏิบัติใช่ไหมคะ ปกติหนูจะเริ่มต้นจากสมถะก่อนกหนดพุทโธแล้วค่อยๆขื้นเลื่อนให้เป็นวิปัสสนาใช่ไหมคะแต่ว่าหนูแยกไม่ออกระหว่างสมถะิกับวิปัสสนาเราไม่ทําพร้อมกันไงเราทำเป็นทีละต่อนพอถ้าเราทำสมาธนี้เราไม่ต้องไปสนใจวิปัสสนาเลยตอนนั้นเป้าหมายของเราก็คือต้องการหยุดความคิดหยุดจิตให้จิตสงบให้นิ่ง วเวลาสงบเรือนิ่งก็รักษาให้มันนิ่งไป น, นานๆเหมือนนอนพักผ่อนหลับนอนตอนนั้นเราไม่ไปทํางนานเราต้องการพักร่างกายเวลาหลับนอนนี่พอหลับเราไม่ทําอะไรเลยใช่ไะต้องการร่างกายพักผ่อนได้เต็มที่อิ่ตัวแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะมีกําลังไปทํางนานได้นนนนการทําสมาธนี่ก็เป็นการพักผ่อนหลับนอนของจิตให้จิตมีกําลังพอจิตได้มีกําลังจิตก็จะถอนออกจากความสงบ พอถอนจากความสงบเริ่มคิดปรุงแต่งตอนนั้นก็เอาความคิดตรงแต่งนี้ไปวิปัสสนาคิดไปในทางตายละคิดไปในทางอนิจจังทุกขงังอนัตตาคิดถึงใครก็นังว่าเขาเป็นตายละขึ้นมา ท, าทันทีคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงแฟนคิดถึงลูกก็เป็นตายละขึ้นหมดนั่เรียวิปัสสนาค่ะแล้วการปฏิบัติที่หนูปฏิบัติเวลาที่เราจะพยายามที่จะขึ้นมีปัสสนาเหมือนเรากําหนด เสียงลมหรือสิ่งต่างๆก็ได้ด้วยบางทีมันมีมันมาให้เราต้องเราไม่ต้องกําหนดมันมาหาเราเองเช่ในใครมาด่าเรานี่มันก็เป็นวิปัสสนาได้นะ้เสียงใช่ไหมเสียงด่าเนี่ยเราสั่งมันได้ปะมันเป็นอนัตตาไม่เป็นอนัตตาร<ม>เราสั่งเขาไม่ได้เนาะสั่งให้เขาไม่ด่าเราได้ไห ม, ไมไแล้วเราทํายังไงเรา<ม>ก็ต้องทําใจอย่าไปแก้ที่เสียงใช่ไหมใช่อย่าไปอย่าไปสั่งให้เขาหยุดด่าหรือไปด่าเขากลับ หยุดที่ตัวเรา อ, อนั่นละ่ะวิปัสนาหยุดที่ใจเราอย่าไปตอบโต้และอย่างเวลาเราปฏิบัติสักพักนี้ใช่ไหมค ะ, ะเราเกิดเหมือนเกิด น, วนีวรคือแบบเหมือนคือมันปวดมันเจ็บถ้าเราอยากจะผ่านตรงนี้เราก็ต้องพิใช้ปัญญาก็ได้ใช้สติก็ได้ใช้สติก็ถ้าเราใช้พุโทโธก็พุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บถ้าจิตพุโทโธอยู่ความเจ็บในใจไม่มี ความเจ็บทางกายจะไม่ทรมานที่ทรมานมันไม่ใช่ความเจ็บทางร่างกายมันความเจ็บที่ใจที่อยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปถ้าเราหยุดความอยากนี้ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็คือการหยุดรุงแต่งจิตของเราใช่นั่นแหละนั่นแหละต้องใช้พุทโธหยุดรุงแต่ง<ม>หรือหรือถ้าเรามีปัญญาได้มันปรุงแต่งมาในทางที่มันปล่อยวางพิจารณาแบบที่เมื่อกี้พิจารณาเสียงอ่ะ เสียงเราก็ไปเปลี่ยนมันไม่ได้เมทนาเราก็ไปเปลี่ยนมันไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนที่ใจเราใจเราก็ต้องอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปตอบโต้อย่าไปต่อสู้กับความเจ็บปล่อยมันเจ็บไปแล้วใจจะไม่เจ็บพอใจไม่เจ็บแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บของทางร่างกายไะมันก็จะผ่านไปได้ขอบใใรอพระคุณครับอาจารย์ครับเมื่อตอนที่ผมเคยปฏิบัตินะครับ พอสิ้นระยะหนึ่งเหมือนเหมือนจิตเขาจะตั้งมังหนหรืออะไผมไม่ใช่ให้ใจแต่ว่าเราจะเห็นทุกปริยาที่มันทํางานด้วยด้วยตัวเขาเองโดยที่เหมือนเราไม่ได้ควบคุมเขาเลยครับเช่นเราเห็นเขาหายใจเขาออกเองอะไรเองอย่างเงี้ยถึงตอนนี้นเวลาผมอยู่ซอยวันนะผมผมจะ ง, งงว่าเอ๊ะรู้จะเดินต่อทางไหนดีการเห็นนี่ก็คือเรียกว่าการมีสติใช่ไหมใช่ยังจยังไม่สงบ ถ้าอยากจะให้สงบก็ดูลมไปนั่งเฉยๆดูลมไปเฉยๆอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าดูไปแล้วจิตมันก็จะค่อยๆสงบตัวลงแล้วเวลามันสงบเต็มที่มันก็จะเหมือนตกลุมตกบ่อวุบลงไปแล้วมันก็จะนิ่งพอมันนิ่งเฉยๆก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็ใช้สติประครับประคองอย่าให้มันไปคิดปรุงแต่เป็นกว่าสติสู้มันไม่ไหวมันต้่มคิดปรุงแต่ก็เลิกนั่งแล้วก็ออกมาเจริญปัญญาต่อ ความคิดปรุงแต่งถึงเรื่องอะไรก็เอาตายรักเข้าไปสองเงินทันที <c oughs> คิดถึงเงินทองก็ต้องใช้แต่ยะัว่าเงินทองนี่ก็ตายลักไม่เที่ยงมีเกิดมีดับถ้าไม่อยากจะทุกกับมันก็อย่าไปมีดีกว่าอย่าไปใช้มันอย่าไปพึ่งมันถ้าพึ่งมันก็ต้องหัดทําใจว่าถ้าเวลาไม่มีก็ต้องอยู่ได้ต้องไม่ทุกข์กับมันทุกอย่างมันเป็นตายรักหมดแต่เราบ้าจะไม่มองเราจะมองเห็นว่ามันเป็นต่อันข้ามครับ มองว่ามันเป็นของนิจจังสุขขังอัตตาเราพึ่งมันได้แต่พอเกิดมาไหนพึ่งมันไม่ได้ขึ้นมาก็ทุกข์กันใช่ไหมเพราะเราหลงกันหลงคิดว่าเราพึ่งเขาได้เพราะเราไม่เห็นใจรักในในในตัวเขาเนี่ย เ, เราต้องพยายามมองเห็นใจรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังไปยึดเป็นที่พึ่งของเราที่จะให้ความสุขกับเราไม่นเงินทองคนนั่นคนนี้ ที่เราพบกับเขาเพราะเราหวังให้เขาให้ความสุขกับเราใช่ไหมวันดีคืนดีเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แล้วก็อาจจะจากเราไปก็ได้วันนั้นเราจะเป็นเพื่งอะไรตัวเพื่อนตัวเองอ่าเพื่อนความสงบไม่ดีกว่าะความสุขที่จะความสงบนี้เป็นของเราตลอดไม่จากเรามันไม่เป็นอนิจจทุกข์ขังนะครับแต่ตอนนี้มันยังเป็นอยู่เพราะเรายังไม่สามารถสร้างมันให้มันอยู่ได้ตลอดเวลา เ, <อ>เราต้องพยายามทําให้มันเป็นนิจจ หุดคังัตตาได้ตลอดเวลาถ้าเรามีสติเราไม่สามารถหยุดจิตให้สงบได้ตลอดเวลาแล้วถ้ามีปัญญาเราก็สามารถกำจัดตัวที่จะมาทำลายความสงบตัวที่จะมาทำลายความสงบก็คือตานหาความอยากๆล้ยอย่างเวลาพระอาจารย์ครเวลานั่งการพิจารณาทางวิปัสสนาเราสามารถพิจารณาได้ทุกขณะใช่ไหมเจ้าคะเวลาที่เราอยู่ในสมาธิ ถ้าาอยู่ในสมาธิก็เมืเวลานอนแบบเวลานั้นเราไม่ต้องการให้น่ากายทํางนานใช่ไหมเวลาจิตอยู่ในสมาธิเราก็ไม่ต้องการให้จิตทํางนานต่ทําตอนเมื่อจิตออกจากสมาธิมันเริ่มคิดปุ๊บแตกยิงจะคิดเรื่องไหนก็ได้อาจจะคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็ได้จึงความตา ย, ยานี้ร่างกายของเราจะต้องตายเราต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันเป็นดินนา้าลมไฟมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยง มันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอยากไปหยากต้องทิกจู่นาเรื่อยๆฝึกไว้เรื่อยๆเพราะเดี๋ยวต้องเจอวันตายถ้าเจอวันตายแล้วรู้พอทุกข์ปั๊บก็รู้ว่ายังอยากไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมตายพอยอมตายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์มันต้องตายอยู่ดี นี่่มอตายแบบยอมกับตายแบบไม่ยอมมันต่างกันตายแบบยอมมันสงบมันสบายตายแบบไม่ยอมนี่มันทุกข์แต่มันถ้าไม่สอนไม่ก่อนไม่ไม่ฝึกไว้ก่อนเวลาตายมันทําไม่ได้เราต้องไปฝึกตายกันก่อนก่อนที่จะตายจริงไปหาของที่มันจะทําให้เรากลัวขึ้นมาไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวเลยอย่าไปกอนไม่ไมมอยู่อาศัย ไ, ไปไปหาว่าตายไปอยู่ตามวัดาฝาัง ก็เข้าไปอยู่ป่าจริงอะมีเนี่ยวัดป่าก็พอตอนกลางคืนเมื่อมืดๆก็ออกมาเดินหางูห่าอะไรกันสิอยากจะมามาที่นี่แต่ว่าแบบอยู่ไกลอะค่ะที่อื่นก็มีเยอะๆที่ใกล้ก็มีวัดมีเนี่ยเยอะเลยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวพอออกวันอีกสามสี่วันจะไปวัดอัมพวันอ่ะเอยังไม่เป็นป่านีต้องไปวัดป่ามันไปไม่ถนบบเนี่ยแล้วไปอยู่คนเดียวในกระท่อมเล็กๆอยู่ในป่าคนเดียวเงี้ย จะได้รู้ว่ามีผีมีอะไรมัาขยาดใจนะอยากลองวยปัสนาวิปัสนาจริงอ่หนูว่าหนูอยู่ได้นะถ้ากลัวก็อยู่มไม่ได้บางคนไม่อยู่บ <จะ S 1> <อ>นี้ขา น, นี้ล่ะ พออยู่ถึงสองทุ่มก็ขอกลบก็บไม่ขออะไรไม่รู้มันใจไม่มไหวไงไม่รู้อะไร ม, มาเยอะแยะเลยเพราแต่ก่อเคยกลัวความมืดที่มืดมืดไปไม่ได้พอนั่งเจริญสติแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จะไม่กลัวใช่เพราะตัวที่สร้างตัวต่างๆ่างขึ้นมาก็คือใจนี่เองพอเรามีสติมันก็สร้างไม่ได้เราคุมมันได้ไว้ได้อยู่แลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาท่านบอกให้เริ่มสร้างสติขึ้นมาพุโทโธพุโทโธไปยังไม่สาย เกิดอะไรทําให้เรากลัวนี่ให้ท่องฟุตโทไปเลยอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวคือคำเดียวจริงๆคือไม่กลัวถ้ามีสติแล้วไปที่ไหนก็ไม่ไมกลัวตลตอนมันไม่ผลิตความกลัวขึ้นมาเหล่าเราเองมีอะไรไหมถ้าจาก ค, อคือผมตอนที่ไม่มาถึงสี่แปดเลยตอนอยู่ที่ที่ทำ ง, งานที่บ้านกิเข้าเย็นมันก็ง่วงแล้วมันก็ไอยากปฏิบัติแต่พอมาถึงแล้วมันมันก็ไม่หิวนะ แต่ก็ไม่อยากปฏิบัติอันนี้มันเป็นที่เกียจยังไม่มีฉันทะไม่มีความยินดีในการปฏิบัติคือเราทไปตั้งแตนี้มันก็อยากจะต้องต้องคิดถึงผลที่เราจะได้จากการปฏิบัติมันเป็นกิเลสอันหนึ่งครับอ่าเป็นกิเลสเปความขี้เกียจความเกียจเราจะแก้นคือต้องฟังเทศังธรรมฟังว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มันวิเศษเวลาอาจารย์ท่านเทศน์นี้ฉันยวมนับผลนิพพานมชม ย่งกระทั่มีเพชรมีจินดาท่านเก็บไว้ในตู้เซกนี่พอถึงเวลาท่านเทศท่านก็เอามาโชว่านี่ปฏิบัติแล้วจะได้ของพวกนี้ของพวก น, นี้พอเราเห็นแล้วเราก็เ อ, อ, อยากจะได้เหมือนท่านมันก็จะทําให้เราเกิดความยายขยันขึ้นมาเนี่เราต้องรู้ว่าผลที่เราได้รับจากการปฏิบัตินี่มันเป็นอย่างไรถ้าเรารู้ว่ามันวิเศษกว่สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็จะทําให้เราเกิดมีความยินดีที่จะปฏิบัติขึ้นมา ตอคิดถึงความหลุดพ้นต้องคิดถึงเวลาแก่เจ็บตายไม่ทุกนี้จะเป็นยังไงถ้าปฏิบัติแล้วต่อไปจิตมันจะแข็งยิ่งกว่าหินนี่มันจะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเวลาสูญเสียพระท่าจากสิ่งที่เรารักก็จะไม่หดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยจะ เ, เวลาไปอยู่ที่ไหนเปล่าเปลี่ยวเดีย ว, ด, ยวดายคนเดียวก็ไม่กลัวไม่ต้องคิดถึงผลที่เราจะได้รับ แล้วมันก็จะทําให้เราเกิดกําลังใจเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติเปรียบศรัทาปรวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของครูบ า, าอาจารย์ยังนี้มีหนังสือก็ไปคน้นหาได้ในเว็บปฏิปทาประวัติหลวงปู่มั่นลองไปอ่านดูแล้วจะเกิดศรัทธาเกิดกําลังใจมากขึ้นอยากจะรู้ว่าพาาระอรหนต์เขาเป็นยังไงปฏิบัติยังไงถึงเป็นพระอาหาันองไปอ่านประวัติของหลวงปู่มั่นอยู่ อ่านแล้วจะประทับใจแล้วจะเกิดความยินดีอยากจะปฏิบัติปฏิบัติจัดอยากจะถามบ้านเรวทางปัญญาผมถูกต้องไหมครับคือว่าทุกวันนี้ก็จะรู้กายตลอดทั้งวันคือยืนนั่งนอนเดินถัดปัดทะยะหรือว่าในจิตกาวันแต่ถ้าเกิดเราได้สมาธิให้รู้เฉยๆนะอยากคิดอะไรแต่ที่นี้ว่าธรรมชาติของจิตมันต้คิดเพยายามให้เราผมจะรู้คพอรู้กันอยู่ที่คิดอย่าปล่อยให้มันคิดครับให้รู้เฉยๆ พอคะดอะไรจะรู้คิดจะรู้จะรู้แล้วก็พอเวลาได้นั่งสมาธิก็สมาธานั่งอยู่ใจอยู่กับตัวพอรู้เสร็จแล้วผมก็จะใช้ปัญญามองแต่รักตามเดอยังไม่ถึงเวลาเวลานั่งสมาธิให้ดูลมไปอย่างเดียวครับให้จิตรวมเป็นสมาธิก่อนอย่าเพิ่งใช้ปัญญาใช้ปัญญาเรียวฟุ้มขึ้นมาได้เราจะไม่มีกําลังอยู่กิเลสได้ให้จิตรวมก่อนมีกําลังก่อนแล้วพอออกจากสมาธิมาแล้วค่อยคิดทางปัญญาต่อ แล้วมันจะมีกําลังสู้กับกิเลสได้ที่เราปฏิบัติทั้งหมดนี้เพื่อหยุดกิเลสเท่านั้นถ้าเราไม่มีกําลังไม่มีสมาธินี้จะให้มีปัญญาขนาดไห น, นก็หยุดมันไม่ได้เราต้องออกเราสร้างกําลังจิตขึ้นมากําลังหยุดกําลังหยุดก็คือสมาธินี้เวลาจิตรวม่ทุกอย่างหยุดหมดเลยกิเลสก็หยุดอะไรก็หยุดเพียงใดมันหยุดแบบไม่ตายถ้ามันยังไม่หยุดแบบท้าวออนพอจาก สมาธิมากิเลสก็โผขึ้นมาตอนนั้นจึงต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญาสามารถที่จะถอนลากโคนของกิเลสได้ทําให้กิเลสม่ตายอย่างถาวรได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกําลังที่จะถอนลากของโคนของกิเลสตามหาได้งั้นอย่าเพิ่งข้ามขั้นเพราะขั้นแรกถูกแล้วการเจริญส ต, ติตลอดทุกระยาบบนี้ถูกแล้วพอเวลานั่งนี้ต้องหยุด หยุดความคิดหยุดจิตหยุดทุกอย่างให้มันสงบเป็นสมาธินะให้มันรวมในอัปปนาสมาธิเราอย่าข้ามขั้นนี้ไปเป็นขาดข้ามขั้นนี้เราไม่มีวันที่จะไปใช้ปัญญาได้แต่พอเราได้อัปปนาสมาธิแล้วออกมานี้จะมีกําลังชั่วกิเลสแล้วพอเราหยุดมันได้นี่เราต้องรู้ว่ากิเลสมันโผล่ขึ้นมาอย่างไรล้วก็ต้องใช้ปัญญามาแก้เพราะนอกจากมีกําลังแล้วต้องรู้ว่ารากของมันเกิดจากอะไรรากของมันเกิดจากความหลง ที่ไปเห็นดีเห็นชอบของมันมันชวนเราไปกินเหล้าก็เห็นดีเหนชอบของมันเ้วต้องบอกไอ้นี่ไม่ถูกเว้ยกินเหล้ามันทําให้เราเสียคนพออยากกินพอรู้จะต้องเสียคนมันก็จะหยุดได้อันนั้นยไม่ว่าปัญญาถ้าอยากจะได้แล้วก็บอกเดี๋ยวมันทุกขนะเพราะมันเดี๋ยวมันต้อดับนะของที่เราได้มันเดี๋ยวไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องดับดับแล้วมันดีไหมล่ะนี่มันก็จะทุกข์พอรู้ว่าเรากำลังไปหาความทุกข์เราก็อยากไปดีกว่า เราก็จะหยุดข้างอยากได้ถ้าเราไม่มีสมาธิก็สู้มันไม่ได้ไม่ว่ามันจะดับมันก็ยังไปอยู่นะรม่ว่าไม่ดีก็ยังไปนะตอนนี้ยั ง, ยงกินเน่าอยู่ก็ยังเลิกไม่ได้ยังสูตรโกู่ก็ยังเลิกไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันไม่ดีเพราะไม่มีกําลังสู้มันมีปัญญาแต่ไม่มีกําลังสู้มันเราต้องสร้างกําลังคือสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะใช้ปัญญาได้อย่างเป็นอย่างเป็นผลมันจะได้เป็นภาวนาเมย่ปัญญา ทำให้เรามีสุตตะมรยาปัญญามีจินตามรยาปัญญาสุตตะก็คือปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยแล้วสุตตะก็คือความคิดเนี่ยเราคิดว่าเราดูสูบเล้าสูบบุรีไม่ดีกินเล้าไม่ดีเนแต่มันหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่ามันยังไม่เป็นภาวนามายาปัญญายังไม่มีสมถะภาวนาเราสร้างสมถะภาวนาขึ้นมาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังที่เราคิดอย่างนีงม้มันจะกลายเป็นภาว น, นามายาปัญญาขึ้นไป แล้วมันก็จะทํำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปสักใจได้อาจารย์คะขณะที่นั่งนั่งไปสมาธิไปแล้วจะมีอาการคือที่ทําให้คืออาการง่วงะคะ่อง่วงแล้วเราก็ต้องยอมแพ้เนี่ยจะแก้ได้ยังไงคะมันมีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็อย่างแรกต้องถือศีลแต่ไม่กินข้าวอย่างยังถ่ายังง่วงอยู่ก็ต้องอดข้าวไปเลย กินแต่ของเบาๆดื่มนมหรือดื่มน้ำปลานะไปแล้วท้องว่างมันก็จะไม่ ง, วง่วงหดือถ้าอดไม่ได้ก็ไปอยู่ที่หน้ากลัวไปอยู่ที่ป่าช้าอยู่ที่ไหนมันพที่ไหนมันหน้ากลัวมันจะไม่ง่วงมันจะตื mm ่น hmm. พระบางรูปนี้ท่านชอบนั่งสับประหกท่านเลยไปนั่งที่หน้าปากเหงว่ถ้ามันสับประหกมาโฟม่น mm ี hmm. ่ยทิ่มาเป็นเหงวง mm ่ hmm. <laughs> บนี้มีทางจมกงเหนือหนึ่งเดินมันอยู่ขอบเขวอะไรมีคนชอบไปเดินแล้วเราเดินแล้วมันไม่ง่วงเลยเพราะันกล่วจ <c oughs> <c oughs> นะตกไลเห็นไหมมีทางยาวแล้วมันต้องมีมีมีอุบายแก้ปัญหาเหล่านี้ <c oughs> ต้องกินให้มันน้อยลงไปมันจะทําให้ไม่ไม่ง่วงได้โดยถ้าไม่ไม่เถา ก, กับการอดอาหารก็อาจจะต้องหาที่หน้าทัว ที่ถ้าถ้านั่งที่ไหนก็ลองนั่งให้มันสูงๆั้าง่วงกันมันตกลงมาจากโต๊ะข้าวหยีเลยมันจะได้ไม่ ง, ง่วงเราดูสิเราหาโต๊ะข้าวหยีสูงๆมานั่งสักตัวหนึ่งก็ได้ถ้านั่งแล้ว ง, วง่วงหัว่าก็เที่ยงตกลงไปเลยมันอาจจะแต่ไม่แน่แล้ ว, แ ล, วแล้วก็นั่งต่อได้ใช่ไหมค ะ, ะถ้ามันไม่ง่วงก็ <c oughs> น, นั่งต่อได้ก็เลมันอยากจะนอนมันไก็จะสร้างความง่วงขึ้นมา เราก็ต้องไปหาวิธีสร้างความกลัวขึ้นมาพอมันกลัวแล้วมันก็ไม่ ง, วง่วงหรือมันหิวมันก็ไม่ง่วงถ้ากินอิ่มแล้วหนังตามันหนังท้องมันตึงหนังตามันหย่อน <c oughs> วันนี้ทางบ้านมีเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยมี YouTube ตอนนี้เหลือยู่สิบสี่ฮะจะมีโทนี่มาจากลสแจลิสซุปสองร้อยเจ็ดสิบตอนนี้เหลือร้อยจสิบค่ะพอดีสัญ ญ, ญาณมันติด คำถามทาง Facebook Live จากคุณพานุวัตรไม่สามารถนั่งสมาธินานได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพจะมีวิธีอื่นไหมที่ทำให้จิตใจสงบได้อีกครับก็ฝึกสติไปฝึกสติในเทุกกิรยาบบอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องเรื่องต่างๆให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูการกระทำการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายถ้าไม่คิดอะไรใจก็สงบได้ในระดับ แล้วถ้านั่งสมาธิก้จิต ด, ดีๆอาจจะสงบภายในห้านาทีสิบนาทีก็ได้ถ้าสงบแล้วก็จะนั่งได้นานไป เ, เพราะเวลาจิตสงบแล้วความเจ็บทางร่างกายจะไม่มารบกวนัดคำถามสกุลอดิเรกผมนั่งสมาธิไปถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกตัวพองใหญ่มาก จึงตกใจแล้วออกจากสมาธิอาการเช่นนี้ผิดปกติหรือไม่ครับอ๋อไม่ป๊อปไม่เผินหรอกแต่ละคนอาจจะมีอาการแปลกๆมันหลอกนงจิตมันคิดปรุงแต่งขึ้นมามันไม่มันไม่ได้เป็นความจริงบางทีก็ตัวฟองบางทีก็ตัวขดบางทีก็ลอยขึ้นลอยน้อยแฝดทันะการไม่ต้องไปสนใจให้เราอยู่กับ <c oughs> การภาวนาของเราต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆถ้าพูดโทก็พูดโทไปเรื่อยๆ เยอสิ่งต่างๆเหล่นี้มันก็จะหายไปถ้าเราไปติดมันเราก็จะไปไม่ถึงจุดหน่อยไปท่าเพื่อจิตจะไม่สงบแล้วมันก็จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาก็ได้แล้วก็อาจจะต้องเลิกภาวนาไปคำถามสักคุณจีระักดกระผมเริ่มดูความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตจะเริ่มเห็นความไม่มีสาระในความคิดที่เกิดขึ้น ทั้งความคิดที่ดีและไม่ดีเป็นเหตุให้จิตของกระผมหลงออกไปท่องเที่ยวตามตามหูจมูกลิ้นกายถ้าเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตของผมจะหลุดจากความคิดโดยไม่สนใจความคิดได้ไหม่ครับคือที่เราต้องการหยุดก็คือความอยากถ้าเราคิดไปอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกา ย, ยากปเยาปเ็นอยากจะไปดื่มโซดาอยากไปดื่มกาแฟอยากจะไปดูหนังฟังเพลง ถ้าเราบอกว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์มากกว่าเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วก็เสพแล้วเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ใช้ได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ต่อให้เรารู้ว่ามันความคิดที่ไม่ดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราการที่เราหยุดความอยากไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังไม่มีสมาธินั่นเองคำถามจากคุณสาธิมา เมื่อไหร่จึงพ้นทุกข์คะเมื่อไม่มีกิเลสเมื่อกิเลสหมดเมื่อไหร่ก็พ้นทุกข์เมื่อนั้นเหมือนกับเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วดพอเชื้อโรคตายไปโรค ก, ก็หา ย, ยานะงั้นเราต้องกินยาเยอะๆกินยาบ่อยๆนะเดี๋ยวยาก็จะไปทําลายเชื้อโรคต่างๆยาของที่จะมาฆ่ากิเลสก็คือธรรมโอสถก็คือศีลสมาธิปัญญาปัญญาจเจริญให้มากๆศีลสมาธิปัญญา แล้วรับรองได้ว่ากิเลสจะต้องตายไปจากใจอย่างแน่นอนวันแล้ยังอ่าก็ไม่ก็สี่ห้าคําถามว่าแล้วกันข้อที่สองหมดกรรมคือหมดบุญใช่ไหมคะไม่คือกรรมแปลว่าการกระทําไงการที่เราจะหมดกรรมก็คือเราไม่ทํากรรมอันใดเลยซึ่งยากไม่ทํากรรมอันใดได้ก็ต้องไม่กลับมาเกิดเนทะ่านั้นถ้ายังอยู่นี่ก็ยังทํากรรมอยู่แต่อาจจะเป็นกรรมดี เช่นพระพุทธเจ้าในท่านทำยังทํากรรมอยู่แต่ท่านไม่ได้ทําแบบที่จะทําให้เกิดให้ให้กรรมมาลับผลกรรมเพราะท่านตัดเหตุที่จะทําให้มากลับมาเกิดได้ก็คือตัดกิเลสตัณหาให้หมดประจัจจ ای ได้นะการกระทํากรรมต่างๆของท่านเองไม่มีผลต่อจิตใจของท่านอีกต่อไปแต่พวกเรานี่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่การกระทํากรรมต่างๆไม่ว่าจะดีหรือชั่วมันยังจะมีพันธะต่อกันอยู่ เราจะต้องกลับมารับผลของบุญของบาปอยู่เพราะว่าเรายังมีความอยากที่จะกลับมาเกิดกันอยู่นั่นเองถ้าเราไม่มีความอยากที่จะกลับมาเกิดแล้วบุญกรรมที่เราทำไว้ทั้งหมดก็ไม่มีที่จะให้เรามารับผลคำถามสกุลสุนีตั้งใจนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงแต่ทรมานมากนับวินาทีจนครบอย่างนี้จะนั่งสมาธิได้ไหมคะคือสติเราไม่ค่อยดีไง เรนั่งแล้วกิเลสมันอยากจะลุกมันก็รู้รสึกทามทรมานใจเพราะเราควบคุมความคิดเราไม่ได้ถ้าเราฝึกสติก่อนมานั่งเนี่ยเวลานั่งมางทีหนาทีสิบนาทีมันก็นิ่งนิ่งแล้วมันก็จะนั่งได้อย่างสบายปเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ยั้นวิธีที่จะนั่งแล้วไม่ให้ทรมานก็หัดฝึกสติก่อนพยายางควบคุมความคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็อย่าปล่อยให้มันคิดถ้าไม่ต้องคิดเรื่องจําเป็น พุโทโธพุโทโไปนึกเฝ้าดกูกิริรยาบุตรของร่างกายกปกำลังยืนหนึกกำลังนอนกำลังนั่งกำลังทำอะไรก็อยู่กับมันไปอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในกะอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เพียงเรืเพียงเรื่องเดียวหรืออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าเราสามารถดึงใจให้เป็นอย่างนี้ได้เวลานั่งมันจะไม่คิดพอไม่คิดมันก็จะสงบได้เลย พอสงบแล้วมันก็จะไม่ทรมานเลยจะนั่งได้นานจะมีความสุขจากการนั่งดังนั้นสิ่งที่เราขาดก็คือสติเรีย น, นพยายามหัดสติก่อนคนที่นั่งปุ๊บแล้วได้ปับ๊บนี้แสดงว่าเขามีสติมาแล้วบางคนที่นั่งห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบแสดงว่าจิตสติเขาดีมากอาจจะเป็นเพราะชาติก่อนนี่เขาเคยฝึกมาก่อนแล้วพอมานั่งปับ๊บมันก็เลยมีเครื่องมือ ครื่งมที่จะมัดจิตให้มันอยู่นิ่งๆก็คือสตินี่มีไหมคำถามสุดท้า ย, าายคำถามสุดท้ายจากคุณวิริยาการนั่งสมาธิควณนั่งนานแค่ไหนนั่งสักพักก็จะเหน็ดชามีวิธีเอาชนะเหน็ดชาไหมครับคือเราไม่ได้นั่งเอาเวลาไหมครับนั่งเอาความสงบนั่งเอาผลเวลาไปตกกลานี่เราจะไปกาหนดเวลาว่าจะตกหนึ่งชั่วโมงได้หรือเปล่าเ่ ถ้าเราต้องทําหากินเอาปลามากินนี่ถ้ายังไม่มีปลาก็ต้องตกไปเรื่อยๆจากัดจะได้ปล า, ามาถึงจะกลับบ้านอันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธินี่เราต้องการนั่งให้มันสงบถ้ามันยังไม่สงบก็ต้องนั่งไปเรื่อยๆถ้ามันไม่สงบก็เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้มันไม่ดีเราก็ต้องไปปรับเครื่องไม้เครื่องมือให้มันดีเครื่องไม้เครื่องมือก็คือสติ น, นี่ถ้าสติเรายังไม่ดีมันก็จะนั่งแล้วไม่ได้ผล ยังต้องไปฝึกสติให้มากมก่อนก่อนถึงจะมานั่งได้ถึงจะได้ผลดีวันแล้วนะในกครโย ก, กทาร์มไหมอาความาบางทีีความเชื่ออะไรบางอย่างเช่นเชื่อว่าวันนี้เป็นวันดีถึงเริ่มทําหรือว่าเวลาเลือกซื้อหนังสือแบบเอคิดว่าเล่มทื่แบบหนังสือเหมือนกันนะครับเหมือนแบบหยิบนังสิธรมาอยางเงี้ยแบบหยิบเล่ม น, นี้แล้วรู้สึกว่าเปิดวันดีสําหรับเราแต่คือความเชื่อเหล่านั้น มันไม่เป็นเหตุเป็นผลน่ะแต่เราทำไปเพื่อความสบายใจเราควรจะทำยังไงครับก็ควรใจเหตุผลคือเราเชื่ออะไรเราก็ลองไปพิจารณาดูว่าทำแล้วมันดีกับเราหรือไม่ถ้าดีก็เป็นความเชื่อที่มีเหตุผลเราก็ใช้ได้ถ้าเป็นความเชื่อแล้วทำไปมันไม่ดีก็อย่าไปอย่าไปเชื่อมันต้องรู้จกแยกแยะความเชื่อว่าความเชื่อไหนดีความเชื่อไหนไม่ดีต้องใช้ปัญญา ดูที่ผลที่จะเกิดจากการกระทําของเราถ้าเชื่อแล้วทําให้เราเสียหายเราก็อยา่าไปเชื่อถ้าเชื่อแล้วทําให้เราดีได้ประโยชน์เราก็เชื่อเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา<ม>ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปที่นิจพิจารณาไปปฏิบัต<ม>ิเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปสาธุ